แนะนำบทอันนะบะบทอันนะบะเป็นบทมักกิยาะมี40องค์การที่ถูกขนานนามว่าบทอันนะบะ เ, เพราะในบทนี้มีข่าวสำคัญเกี่ยวกับวันกิมะการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมแกนหลักของบทกล่าวยืนยันถึงหลักการศรัทธาแห่งการฟื้นคืนชีพซึ่งพวกมุชริน ป, ปฏิเสธในเรื่องนี้อยู่ตลอดมา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 เราไม่ได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือและไม่ได้เที่กเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือและเราได้บังเกิดพวกเจ้าเป็นคู่ครองกัน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 และเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าสิ่งที่แข็งแรงทั้งเจ็ดชั้นฟ้าแล้วเราได้ทำให้มีดวงประทีปหนึ่งที่มีแสงสว่างเจ้าแล้วเราได้ให้น้้ำหลั่งลงมาอย่างมากมายจากก้อนเมฆ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 วันที่สังจะถูกเป่าและพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่มู่และชั้นฟ้าจะถูกเปิดออกแล้วก็จะมีประตูหลายบาทและเทือกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไป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 พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลานาพวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็นและเครื่องดื่มใดๆในนรกนั้นนอกจากน้ำเดือดและน้ำเลือดน้ำหนองเท่านั้น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 และทุกๆสิ่งนั้นเราได้จารึกมันไว้อย่างครบถ้วนในบันทึกดังนั้นพวกเจ้าจงริมรถการลงโทษเถิดเราจะไม่เพิ่มอันใดแก่พวกเจ้านอกจากการทรมานเท่านั้นแท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้รับชัยชนะ เรื่องสวนอันหลากหลายและองุนและบรรดาหญิงวัยรุ่นที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและแก้วที่มีเครื่องดื่มเต็มเปียมในสวนสวรรค์ น, นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระและกล่าวเที้ ทั้งนี้เป็นการตอบแทนจากพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นการประธานอย่างเพียงพอรบบ من, พระผู้อภิบาลแห่งบรลดาชันฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองคือพระผู้ทรงกรุณาพวกเขาไม่มีอำนาจที่จะกล่าวคำพูดใดๆต่อพระองค์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 และจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นนั่นคือวันแห่งความจริงดังนั้นผู้ใดประสงค์คอยเขายึดทางกลับไปสู่พระผู้อภิบาลของเขาเถิด